ความต้องการคืออะไรและสำคัญอย่างไรศัพทธรรมะสำหรับความอยากหรือความต้องการนี้ค่อนข้างซับซ้อนต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเล็กน้อยขอยกพุทธพจน์มาดูกันอีกครั้งหนึ่งคือทิัฐว่าฉันทะมูลกาสัพเพ ธ, ธรร ม, มาธรรมะทั้งปวงมีสันท่าเป็นมูลหรือเป็นรากเป็นฐานเป็นต้นต่อ คำสำคัญคือฉันทะแปลว่าความต้องการหรือความอยากจะแปลว่าความปรารถนาที่เป็นคำบาลีว่าปรารถนาก็ได้ที่ว่าซับซ้อนก็คือเริ่มแรกฉันทะความต้องการหรือความอยากนี้ในขั้นพื้นฐานเป็นคำกลางๆใช้ในทางดีก็ได้ในทางร้ายก็ได้ เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้มีทั้งการมฉันเนคขมฉันบริโภคฉันทำฉันและอื่นๆในขั้นนี้ท่านแยกฉันทะคือความต้องการนิว่ามีสองอย่างคือหนึ่งตัญหาฉันทะแปลว่าฉันทะคือตัญหาหรือฉันทะที่เป็นตัญหาคือความอยากได้ อยากเอาอยากเป็นอยากมีอยากมาลาย2กตุ ก, กรรมมยาตาฉันทะแปลว่าฉันทะคือกัตุ ก, กรรมมยาตาหรือฉันทะที่เป็นกตุ ก, กรรมมยาตาหมายถึงฉันทะคือความอยากทำฝ่ายจะทำฝ่ายสร้างสรร อย่างแรกที่เป็นฝ่ายร้ายเป็นอกุศลสันทาอย่างหลังเป็นฝ่ายดีเป็นกุศลสันทาที่จริงอย่างนี้ก็ดูง่ายและก็ชัดดีอยู่แต่ถ้อยคํายาวไปหน่อยเรียกยากตรงนี้ก็มาถึงที่ซับซ้อนคือในเวลาแสดงธรรมอธิบายธรรมหรือพูดจาสื่อสารกันทั่วไปก็อยากใช้คําที่สั้นๆง่ายๆ ในที่สุดก็ปรากฏผลออกมาว่าเวลาพูดถึงฉันทะที่อยากในทางไม่ดีเป็นอกุศลก็ใช้คำเดียวไปเลยว่าตันหาไม่ต้องพูดว่าตันหาฉันทะถ้าจะพูดถึงฉันทะที่อยากในทางดีเป็นกุศลก็ใช้คำเดียวไปเลยว่าฉันทะไม่ต้องไปพูดให้ยาวว่ากตุกรรมมัจาชันทะหรือกุศละชันทาหรือธรรมะชันทา หรือสภาวะฉันทะและอื่นๆตอนนี้ก็เลยพูดได้ง่ายสั้นนิดเดียวรู้เรื่องกันไปไม่ต้องยืดยาวเยินเยออพอบอกว่าตันหาก็คือความอยากที่ไม่ดีคือฉันทะฝ่ายอากุศลนั่นเองพอพูดว่าฉันทะก็คือความอยากที่ดีคือฉันทะฝ่ายกุศลหรือกัตตุกรรมมยตาฉันทะนั่นเอง ถ้าไม่รู้ที่ไปที่มาก็จะงงว่าคำไหนหมายถึงอะไรคำไหนดีคำไหนร้ายก็สับสนยุ่งไปหมดเช่นไปเจอกามชันทะก็งงในว่าชันทะเป็นฝ่ายดีทำไมนี่ไม่ดีละ่ะดังนี้เป็นต้นจึงต้องพูดทำความเข้าใจกันให้ชัดถึงตอนนี้ก็สรุปได้คือบอกว่าความอยากหรือความต้องการนั้น มีสองอย่างคือหนึ่งตัณหาคือความอยากความต้องการที่เป็นอกุศลได้แก่อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากทําลาย 2. ฉชันทะคือความอยากความต้องการที่เป็นกุศลได้แก่อยากทำคือหมายถึงอยากกระทำให้มันดีไยฝึกไปศึกษาไปปฏิบัติไปจัดทำ สสรรร้างรรในคำพีภาษาบาลีฉันอัตกถาเมื่อท่านจะแยกสองอย่างนี้ท่านก็หาคำกลางมาตั้งก่อนได้พบว่าท่านใช้คำว่าปัฒนาคือความปรารถนามาวางเป็นคำกลางแล้วท่านก็แยกให้ดูบอกว่าปัฒนาคือความปรารถนามีสองอย่างซึ่งก็คือที่แยกให้ดูแล้วก่อนหน้านี้นั่นเอง ได้แก่ 1. ตันหาปัฒนาคือความปรารถนาที่เป็นตันหาหมายถึงปรารถนาเอาต้องการเสพ 2. จฉันทะปัฒนาคือความปรารถนาที่เป็นฉันทะหมายถึงปรารถนาดีต้องการทำให้ดีมีข้อสังเกตว่าคนไทยทั่วไปโดยเฉพาะชาวพุทธไทยนี่เอง พอพูดถึงความอยากก็มักจะบอกว่าไม่ดีไม่ถูกใช้ไม่ได้แล้วก็ชอบบอกกันสอนกันไม่ให้อยากซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอาจกลายเป็นการทําร้ายทั้งตัดรอนการพัฒนาคนและขัดขวางการพัฒนาสังคมประเทศชาติส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็เลยเถิดไปในทางตรงข้ามชอบพูดชอบสอนว่าให้อยากได้อยากเอา อยากมั่งอยากมีบางทีถึงกับสอนให้โลกให้อยากเด่นอยากดังอยากเป็นใหญ่เป็นโตบอกว่าต้องอย่างนี้ประเทศชาติสังคมจึงจะพัฒนาแต่ไม่ได้พัฒนาจริงเลยมีแต่พัฒนาไปสู่ความพินาตอย่างน้อยก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนทั้งการเมืองและเศรษฐกิจพาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพทั้งสองพวกนี้ ก็คือสุดตรงสุดขั้วไปคนละด้านแต่เหมือนกันร่วมกันตรงที่มีความไม่รู้คือไม่รู้จักความอยากไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมชาติของความต้องการแล้วก็จัดการกับความอยากนั้นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องความอยากจึงต้องรู้จักและแยกให้ได้ดังที่นำมาให้ดูนั้นเมื่อแยกได้แล้วเรื่องราวอะไรต่างก็จะกระจ่างแจ้งชัดเจนขึ้นอย่างมากมาย เมื่อได้เห็นความหมายที่แตกต่างกันระหว่างความอยากสองแบบนั้นไปคร่าวๆแล้วก็จะให้จับสาระหรือลักษณะสําสคัญของความแตกต่างนั้นให้จักแจ้งขึ้นอีกเป็นการชี้จุดสําคัญให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 1. ตันหาเป็นความอยากเพื่อตัวตนของเราหรือเพื่อตัวเราเองเช่นอยากเอาเข้ามาให้แกตัว เอามาบำเรอตัวให้ตัวเสพให้ตัวได้ให้ตัวเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้2อฉันทะเป็นความอยากเพื่อสภาวะของสิ่งนั้นๆเองเพื่อความดีเพื่อความงามเพื่อความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆขอยกตัวอย่างง่ายๆในวัดเช่นว่า คนมานิวัดแล้วเข้าไปในบริเวณที่มีต้นไม้มากๆเห็นกระรอกกระแตวิ่งโลดเต้นกระโดดกระโจนไปมาคนหนึ่งก็ชื่นชมมองว่าเจ้ากระรอกนี้น่าดูคล่องแคล่วมันกระโดดไปกระโดดมาดีนะเป็นภาพที่งามตาขอให้กระรอกเหล่านี้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทำหมู่ม้าที่ร่มรื่นให้งดงามน่าเพลินใจช่วยให้วัดเป็นโรมนียสถาน นานเท่านานต่อไปเถิดอย่างนี้คืออยากเพื่อสภาวะที่เต็มสมบูรณ์ของสิ่งนั้นเองเรียกว่ามีความอยากหรือความต้องการที่เป็นกุศลเป็นฉันทาส่วนอีกคนหนึ่งก็เห็นกระรอกตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เขามองไปก็คิดไปว่าเจ้ากระรอกตัวนี้อ้วนดีเนื้อมากถ้ารอจับได้เอาไปลงหม้อแกงเงย็นนี้คงอร่อยทีเดียวละ่ะ นี่คืออยากเพื่อตัวตนของตนเองเรียกว่ามีความอยากที่เป็นอกุศลเป็นตัณหาอีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนจบมัธยมศึกษาแล้วคิดเลือกจะเรียนแพทย์คนหนึ่งอยากเป็นแพทย์เพราะอยากมีไรายได้มากอยากหาเงินง่ายจะมั่งคั่งร่ำรวยและมีหน้ามีตามีเกียรติสูงนี่คืออยากเพื่อตัว ต, วตนของตนเอง เรียกว่ามีความอยากหรือความต้องการที่เป็นอกุศลก็เป็นพวกตัญหาส่วนอีกคนหนึ่งอยากเป็นแพทย์เพราะอยากทำให้คนหายจากโรคอยากเห็นประชาชนแข็งแรงมีสุขภาพดีอยากให้ชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนอยากให้บ้านเมืองมีพลเมืองที่มีคุณภาพอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้คืออยากเพื่อสภาวะที่เต็มสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆที่เป็นวัตถุประสงค์ อย่างตรงไปตรงมาของอาชีพแพทย์นั่นเองเรียกว่ามีความอยากหรือความต้องการที่เป็นกุศลเป็นฉันทาคนมีความอยากต้องการอย่างไหนเมื่อเขาได้สนองความต้องการอย่างนั้นเขาก็มีความสุขดังนั้นความสุขของคนจึงต่างกันไปตามความต้องการคนหนึ่ง อยากให้กระรอกแข็งแรงสมบูรณ์เป็นอยู่สุขสบายของมันพอเห็นกระรอกนั้นกระโดดโลดเต้นร่าเริงดีความต้องการของเขาก็ได้รับการสนองเขาก็มีความสุขทันทีอีกคนหนึ่งอยากเอากระรอกมาต้มกินให้ลิ้นของตัวได้อร่อยต้องไล่จับไล่ยิงเอากระรอกนั้นมาต้มมาแกงให้มันตายจนกว่าตัวเองจะได้กินความต้องการของเขาจึงจะได้รับการสนอง และเขาจึงจะมีความสุขมองกว้างไกลออกไปคนมีฉันทะรักที่จะทำเหตุของความเจริญคนมากด้วยตัญหาได้แต่รอเสพผลของความเจริญนั้นพูดสั้นๆว่าพวกฉันทะเป็นนักสร้างพวกตัญหาเป็นนักเสพพวกฉันทะจึงมีความสุขในการสร้างสรร พวกตันหาจึงมีสุขต่อเมื่อได้เสพในสังคมที่เป็นอยู่นี้ไม่อาจหวังว่าจะทำการใดให้กระแสตัญหาเหือดหายไปได้หรือจะให้วิธีของฉันทะขยายขึ้นมาเป็นใหญ่สิ่งที่พึงทำคือพยายามดุลไว้ไม่ปล่อยให้กระแสตัญหาท่วมท้นไหลพาลงเหวไปและคอยส่งเสริมวิธีแห่งการสนองฉันทะาให้ดาเนินไปได้ ตราบใดคนผู้มีความสุขในแนวทางของการสนองชันทะยังมีหลักเป็นแกนอยู่สังคมมนุษย์ก็จะยังพอดำเนินไปได้สิ่งที่จะต้องทำตลอดเวลาก็คือความไม่ประมาทในการพัฒนามนุษย์ให้ก้าวหน้าไปในการพัฒนาความสุข